คิดหน้ากกวพวกเราแต่ว่าพองทวนกลับมาพรไม่คิดไปแบบใหม่ค่ะกลับมาอ๋อไม่คิดไปพระองค์ก็กลับมาคิดถึงประสาทใจไมรู้พองก็กลับมาคิดถึงราหุน่นพองก็กลับมาคิดถึงเพื่อฟ้าก็กลับมาคิดถึงสาวสนมดีสีตีเป่าคบประงมตลอดคืนไม่มีบุรุษเจ้าฝนภาษาเราเนี่ยวางดั่ม เมตตามขวนมามาจากธรรมชาติธรรมชาติจะไปยังไปสู้ความคิดมันไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระเจา้จาของเราคิดมากกว่าเราเปรียบเทียบกับเราได้โอ้ยให้เราเนี่ก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนหลวงพ่อก็นั่งอยู่นี่พระสงฆ์ก็นั่งอยู่นี่กติหลวงพ่อก็อยู่น่กติพระสงฆ์กติแม่ชีกติ ว่าสชว่าชิตาแล้วมีเพื่อนอุ่นดีอุ่นใจสละก็มีด้วยม่ไฟฟ้าพระพุ่ธเจ้าหนักกว่าพวกเราหนักมากขนาดเราเนี่ยังจะไปอ่อนอยู่เลยพวกเราก็มีเราก็าก็นั่งพูดอย่างนี้ลบหลองคำสอนพระพุทธเจ้าเอาคอเป็นประกันว่านี่แหละถูกทางแล้วจะเริ่มสตินี่ จะไปอะไรอีกอยอดเหรอสุดยอดเหรอเห็นไท่ๆละตรงนี้หละทางผ่านทางผ่านได้ว่าแต่ให้เรามาสร้างความรูส้สึกตัวเลยดีใจกับอาจารย์โทนท่านพูดให้ความปฏิบัติทมการเห็นกิเลส จนเห็นแก้งกิเลสตันหาเกิดขึ้นอว่ามันคือภาวะที่ไม่จริงมันหลอกความรู้สึกตัวไม่หลอกกิเลสมันเป็นเครื่องหลอกนันกนนนก่นไม่จริงหรอกพอชี้หน้าอุ้งนั่จริงเราจะมันหายเลยไม่มีเลยเหลือเลยหมดท่าเลยปลาลายชัยพ่ายแพ้ไปเลยมารทั้งหลายพ่ายแพ้ไปเลย กิเลสมานขันธมม์มานมัจุมานสังขารมานเทวบุตรมานพระพเจ้า เ, เคยชนะมาแล้วด้วยจเจริญสติแบบนี้เลยนะพระพทริยศเขาก็ฟังสูงแล้วไปคิดถึงกับพื่อเกษตรหลายร้ด่าฮะฮะห้ อ, อหงหลูกห้องร้านฝันว่าฝันเห็นร้านหมดล้วพ่อทายกเด้่ 啊，那蓝色哇，哦，蓝天蓝哇，哎，哈哈，可 <intellectual> 怕 <Kalau S 1> <quer wa> <啊>，恐 <unexpectedly>